การฟังธรรมเขาไม่ใช่ไปทั้งสมาธิเ mm hmm. ฉยแล้วมึอนอย่างนั้นนัก็หลับทุกที mm hmm. เขากระตุ้นความคิดกระตุ้นความคิดสร้างเหตุและผลตลอดในใจอันนี้เล่นไปตั้งมึอนอย่างนี้ฝืนแต่กายอยันนี้น่ะเขาก็หลับเขา ใ, ใช้โยนิโสอ่ะยังใช้โยนิโสไม่เป็นแล้วไปนักปฏิบัติยังไงโยนิโสเนี่ยถ้ า, างั้นคนฟังธรรมเขาบรรลุกันเยอะๆพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากกัปปวัฒนสูตรทันยากลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมหนึ่ง พร้อมอีกสิบแปดโกดโกดละสิบล้านแล้วเทวดายังไม่นับนั่นได้บรรลุนั่นก็ตั้งใจฟังกันแล้วไม่มีนั่งหลับเนะเนี่ยนะไม่มีตอนที่พระเจ้าแสดงอาทิตยปฏิยาัยาสูตรเนี่ยชะินสามพี่น้องพร้อมด้วันหนึ่งพันนะกับอีกสามคนนะตอนพระเจ้าแสดงอนุปปหิกถาแล้วจบลงได้ระยะสัจธรรมสี่ปวดพระเจ้าพิมพนะิสารเนี่ยสิบเอ็ดนื้อหู ได้วงตาหินธรรมก็คือสิบเอ็ดมืนนอกนั้นถึงไตสนานาคมประกาศตนตอนพู้จาแสดงรัตนสูตรเนี่ยบรรลุทีละแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันนะไม่ใช่น้อยน้อยนะแล้วตอนที่แสดงย ม, มกับปาฏิหา ร, ม, หร 200, 000, ม, ามีสัตว์ได้บรรลุสองรอยล้านลงมาในสังกษสานนครอีกบรรลุอีกสามรอยล้านแล้วเราหายไปไง จะได้รู้ว่าจริงๆเราฟังทําไม่ถูกไงเราจะได้รู้ว่าก็ในสาวัถีน่ยมีประชากร70ล้านใช่ไหมได้เป็นภาริยา50ล้าน 500,000 นคนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เนะี่ยประชากร70ล้านบรรลุ ป, ปาก็ไปตั้ง50ล้าน 500,000 คนเห็นไหมเนี่ยเอาประเทศไทยใน70ล้านมีภาริยากี่คน เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่เรียนพระธรรมเป็นไปตามระบบยิงไงถ้าเราเข้าถึงสถานคมที่ถูกรักษาศีลและสร้างชุมชนใหม่สภาพสังคมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่คือทําตนเองให้อยู่ในท่านของจารีตในชั้นของกุศลศีลที่ปฏิบัติต่อกันเนี่ยได้ถูกต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกต้องพ่อแม่ปฏิบัติกับลูกเป็นศีลกันได้จริงๆนะครูอาจารย์ปฏิบัติต่อศีลศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์ปฏิบัติเป็นศีลเป็นเจตนาศีลได้ถูกต้องเนาะ เพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนเป็นเจตนาศีลเป็นกุศลศีลได้อย่างถูกต้องสามีภรรยาหรือญาติมิตรทั้งหลายปฏิบัติเป็นตัวเจตนาศีลที่ถูกต้องตั้งใจเป็นศีลอย่างถูกต้องด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาตนเองปฏิบัติต่อการเป็นศีลได้ถูกต้องพระเจ้าปรสงค์ปฏิบัติต่อบาสก์ไบสกาอุบาศก์ไบสกาปฏิบัติต่อพระเจ้าปรสงค์เนี่ยปฏิบัติกันอย่างถูกต้องจริงๆมันเป็นชุมชนใหม่จริงๆนะมันเป็นสภาพสังคมใหม่ที่เลี้ยงแบบผ้ารยะ เดินตามรอยของพาริยะบูชาคุณของพระรัตนตรัยแล้วมันจะเป็นไปอย่างความเครื้อกูลซึ่งกันและกันและสภาพลักษณะเนี้ยฟังธรรมก็ฟังกันถูกต้องพระธรรมก็เป็นพระธรรม ท, ที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นๆมาเจอือปนเป็นของสะอาดหมดจดเป็นพระธรรมเป็นธรรมดีของพระผู้มีพรภาคเจ้า จ, าจริงๆไม่เอาทัศนะความเห็นตนเองไปใส่และตนเองเดินไปตามถึงแม้ไม่ได้บรรลุก็เป็นชุมชนที่บริสุทธิ์แต่เราไม่เคยสร้างกันไนชุมชนลักษณะเนี้ย มีคนพยายามทำนะแต่ไปตั้งหลักผิดเนี่ยตั้งตัวศีลผิดศีลก็ไม่ตรงด้วยทิฏฐิก็เรียบร้อยเลยก็ไปเป็นชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่มีไปเป็นกรอบของทิฏฐิที่ความเห็นผิดเนี่ยนะตั้งกันเต็มไปหมดตอนนี้ยเราไม่มีชุมชนที่ปฏิบัติต่อกันแบบนี้เลยนะลองไปดูสิเราจะเห็นชัดเลยนะเอาหลักของเจตนาศีลที่เป็นข้อปฏิบัติ ต่อทิศทั้งหกเนี่ยเขาเรียกวิในของคารวาสเน่ยวินในก็คือศีลของคารวาสที่พึงปฏิบัติต่อกันที่เป็นตัวกุศลศีลซึ่งพระเรลยมเจ้าทั้งหลายท่านปฏิบัติต่อกันถูกแม้พระที่อยู่ด้วยกันนะพระเนนที่อยู่ด้วยกันท่านก็ปฏิบัติเกื้อกูลกันถูกถามว่าสภาพสังคมมันจะไม่เป็นไปด้วยการขัดแย้งนะเพราะมันเป็นตัวตัวศีลตัวกุศลศีลมันมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด มันแล้วก็ไม่ได้ปลุกแล้วละดมข้อปฏิบัติแบบนี้แล้วให้สังเกตตัวไหนว่าพอฟืดขึ้นมาก็ไปนั่งนั่งกรรมาฐานกันแล้วไอ้ฐานก็รั่วหมดไอ้ฐานข้างล่างก็รั่วหมดพระรัตนตรัยยังไม่ไม่เข้าใจเลยยังไงขอนั่งสงบ ก, ก่อนเถอเข้าไปถึงเบสเสร็จต้องซื้อ ส, อสวดมนต์เล่มเดียวก็ไปนั่งสวดมนต์ถือว่านั่งกรรมาฐานกันได้แล้วหายใจเข้าพุดหายใจออกโทพอแค่นี้ใช้ได้แล้วอย่างเงีย้ยนี่ก็จบดีอย่างเงี้ยแล้วองค์ความรู้มันไปตรงไหน โอ้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องสร้างบ้านจะสร้างบ้านยังไงไม่ออกมาเป็นบ้านนะลองทำดูดิมันไม่ออกมาเป็นบ้านหรอกถ้า ม, มีความรู้เรื่องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วจะเข้าสู่พระรัตนตรยอย่างไรมันไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวเนะมันต้องเข้าถึงให้ได้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาได้จริงๆเพรนั้นสภาพสังคมเราก็สังเกตว่าเรามาอยู่อย่างนี้สภาพจิตใจเราสงบขึ้นไหมสงบขึ้นไหม ฉันทะที่มีความศรัท ธ, ธาตั้งมั่นเป็นไปเพื่อสมาธิที่มั่นคงแล้วเพื้อหนุนต่อการที่จะได้ญาณปัญญาสืบค้นข้อมูลความรู้ไปเสร็จก็ปฏิบัติกันได้ถูกในขณะเดียวกันก็เก็บความรู้ไปด้วยและก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งเอาความรู้นะปฏิบัติกันไปนะทุกครั้งที่กําลังฟังทำอย่างนั้นคือการปฏิบัติกําลังเดินอยู่เดินอยู่ก็คือว่าหนึ่งเราไม่ตําหนิเรื่องที่พูดใช่ไหม พราะเรื่องนี้เรายังไม่แทงตลอดสัจจะเลยเรื่องเรื่องสารณาคมเนี่ยยังไม่สามารถประมวลลงประชมลงในคือฟังเรื่องนี้และสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเลยแสดงว่ายังไม่ประสมผลสําเร็จและญาณปัญญาที่จะแทงตลอดสัจจะนเรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงพุทธเจ้าบอกว่าส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเห็นด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นอริยสัจสเห็นทุก เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงเห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นั่นแหละเป็นสาระอันเกษมนั่นแหละเป็นสาระอันสูงสุดนั่นแหละเป็นสาระที่เลิศที่สุดเมื่ออาศัยสาระเหล่านั้นแล้วเขาพ้นจากทุกข์แน่นอนเขาพ้นแน่นอนอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าจากสาระคมเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติในศีลถูก นั่งทั้งเจตนาศีลที่มีความตั้งใจปฏิบัติต่อหลักของพระวินัยหรือหลักวินัยของคารวาสทั้งหลายแล้วสู่ขึ้นสู่เจตนาศีลเจสิกศีลซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของของของศีลห้าศีลแปดศีลสิบทั้งหลายแล้วก็พัฒนาสู่สมาธิและปัญญาได้ชัดเจนเลยถ้าถามบอกว่าระหว่างศีลระหว่างศีลกับปัญญาเนี่ยไหนเกิดก่อ น, หนเห็นไหมตรงนี้แปลว่า หนึ่งถ้าเราฟังปัญญามันเกิดแต่ถ้าหากยังไม่เอาปัญญาเกิดบอกเอาข้อปฏิบัติแล้วก็เชื่ยวไว้เลยก็ปฏิบัติตามนะั้นอันนี้ก็เรียกว่าเอาศีลก่อนแต่อย่างพวกเราเนี่ยเอาทั้งปัญญาพอรู้พอเข้าใจไปเสร็จเนี่ยก็ไปเกื้อกูลศีลอีกทีบางท่านเนี่ยมาจากความเป็นทูตุศีลนะไม่ได้รักษาศีลหมดจดใดๆหรอกแต่พอได้ปัญญาไอ้ปัญญาก็กลับไปเกื้กอกูลศีล นะเกื้อกูลศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็กลับมาหมุนมาเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้อย่างนี้ก็คือฟังจนเกิดความเข้าใจแล้วอุมไม่เอาแล้วศีลสําคัญแล้วเพราะชีวิตเนี่ยถ้าขาดตัวภู ส, สุรศีลอย่างเดียวชีวิตตกจากสระนาเลยเดินออกจากพุทธโอวาทไปเลยไปคนละทางเลยนะแล้วเราอย่าไปนี่อย่างหนึ่งนะอย่าไปเข้าใจว่าเวลานั่งหลับตาละศีลเกิดเองเนี่ย น, น, น, น, น, นี่ต้องระวังต้องระวัง ไม่ต้องสามาทานอะไรมาแล้วมันหลับตาเดี๋ยวศีลเกิดเองใครมีความเหม็อนอย่างนี้บ้างหลับตาแล้วศีลเกิดเองเนี่ยแล้วยังบอกว่าไอ้ตัวกุศลเนี่ยมันก็มีศีลในนั้นอยู่แล้วไอ้ที่เขาพูดมันถูกนะแต่ว่าเจตนาที่ตั้งใจมาไม่แข็งแรงศีลประเภทนี้มันไม่มีผลมากไม่มีที่ส่งมากเลยเลยนะมันมันมาจากการอย่างเราเราท่านทั้งหลายในยุ ป, ประดมมันต้องตั้งใจให้เกิด ตั้งใจให้ศีลเกิดก่อนแล้วไอ้ความตั้งใจนั่นแหละต้องสมาทานให้มั่นคงแล้วก็รักษาทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ควรที่จะต้องทำให้มีทาให้เกิดขึ้นออตอนนี้เวลาที่เหลือเนี่ยถามปัญหานิมการการเออเราเราเราไอ้การอการกา ร, การเดินจงกรมเออในในยุค คือพุทธคุณเนี่ยการการการระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงระลึกได้ในยาบทยืนเดินนั่งแม่นอนก็ระลึกได้ที่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพรพุทธเจ้าแม้ในเวลายืนแม้ในเวลาเดินแม้เวลานั่งแม้ในเวลานอนแต่โดยส่วนใหญ่ถามบอกว่าในขณะที่เราเดินจงกรมเนี่ยจเจริญพุทธคุณได้ไหมได้บางคนไปเข้าใจว่า เดินจองกรมเนี่ยต้องกำหนดอียบทที่เดินอย่างเดียวไม่ใช่เอาถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันนี่เหรอพ่าต้องอาศัยปัจจุบันยอมเวลายอมกาหนดนะเอบทเดินเนี่ยมัน ทุกวันนี้นะถ้าในชั้นตองคําสอนเร yeah ื่องการเดินยงกรมเนี่ยพระเจ้าบอกคัดชันโตวาคัดฉามีติประชาณนาติเมื่อเดินก็รู้ชัดเราเดินอยูอ่ที่โตวาที่โตมีติประชา น, นาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนสยาโนวาสยาโนหีตินิสินโนวานิสินโนมีติประชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งสยานโนวาสยาโนมีติประชานาติเมื่อ น, นอนก็รู้ชัดว่าแบบนี้เรานอนอยู่พระธเจา้าตรัสพุทธพจน์แค่เนี้ยทีนี้กรรมฐาน กรรมฐานในในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาพุทธพจน์ตรงเนี้ยมาขยายกันแต่ในชั้นของพุทธพจน์เนี่ยเราต้องรู้นะสืบประวัติให้ดูแล้วเราจะเข้าใจชัดว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะ ต, ตัวพุทธพจน์เนี่ยที่มีการแปลกันประมาณปี 2,500 แปลพุทธพจน์จบ 2,200 ร้อยกว่าก่อนหน้านั้นคำสอนในชั้นของพระไตรปิฎกไม่ได้มีการแปลสู่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีแปลยังไม่จบแปลเป็นสุดสด ตัวพุทธพจน์ ท, ที่แปลมาสมบูรณ์ที่เป็นตัวพุทธพจน์แท้ๆนี่นะ 2,500 ยุคจอมพลปอแล้วต่อมาอีกสามยี่สิบหกปีตอนนั้นอีกยี่สิบหกปีจึงมีการแปลอัรถริยแต่กลัวจะได้ออกมาพิมพ์จำหน่ายจริงๆประมาณปีสามูนย์ต้องหลับตาโดยที่โยมก่อนหน้านั้นกรรมฐานเกิดขึ้นได้อย่างไร ต้องหลับตาดูทีประเทศไทยเราเนี่ยเราเราต้องยอมรับอีกอย่างนึะว่าข้อมูลในชั้นคําสอนเนี่ยเราเน่ะไม่รู้ภาษาบาลีกันมาตั้งนานแล้วแล้วข้อปฏิบัติที่มันออกนอกคําสอนมันจึงเยอะอยงไง อ, อย่าไปแปลกใจเราจะไปว่ากันนะทุเนเต็มที่กันแล้วทีนี้พอมันมีพุทธพจน์ออกมาคัดชั้นโตวาคัดฉามีติปชานาติเมื่อเดินก็รู้ชัดบันนี้เราเดินก็หลายฝ่ายก็เออองั้นกําหนดเลยให้รู้ เดินเป็นลูกรู้เป็นน้มนันซ้ายย่างขวาย่างเขาว่ากันไปเอขว่ากันไปแต่ถามว่าถ้าอตถกาถาท่าน่าอยังไงเออท่านขยายตรงนี้ไหวยังไงท่านบอกสุนัขบ้านสุนัขกิงจอหรือหมาป่าทั้งหลายเลยเนี่ยเวลามันเดินมันก็รู้เวลามันนั่งมันก็รู้เวลามันยืนก็รู้เวลามันวิ่งมันก็รู้เวลามันนอนมันก็รู้ แต่ประชานาติการรู้อย่างนั้นเนี่ยการรู้อย่างนั้นเนี่ยมันก็รู้กันทั่วไปหมดนั่นแหละเราก็รู้ยืนก็รู้เดินก็นนรู้นั่งก็รู้นอนก็รู้แต่การรู้อย่างนั้นเน่ะมันจะไปต่างอะไรกับอบยะสัตว์รู้เพราะเป็นการรู้ที่ไม่ได้ถ่ายถอนความเข้าใจผิดว่าสัตว์เดินว่าคนเดินว่าหญิงเดินว่าชายเดินว่าเราเดิน เพราะเป็นความรู้ที่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมว่าจริงๆแล้วการเดินจงกรมเนี่ยเป้าหมายจริงๆถ้าไปเดินวิปัสสนาญา จ, จริงๆท่านให้ทําองค์ของความรู้ของาญาณปัญญาต่างๆให้เข้าใจแต่ถามว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนี้สลาณะยังไปไม่เป็นเลยนั่นจะไปเดินยังไงเนี่ยฉะนั้นการเดินเนี่ยการเจริญพุทธคุณได้ไหมได้ แต่ถ้าหากว่ากรณีจนสามารถเข้าใจอย่างท่องแท้เบีดเสร็จแล้วมีความเข้าใจพระราตนาตรายอย่างชัดเจนแล้วเวลาไปเดินเบ็ดเสร็จอย่างนั้นเวลาจะมาศึกษาหมวดของสติปัฏฐานก็มาว่ากันอีกทีหลังจากมีองค์ความรู้จนเข้าใจเบีดเร็จแล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้เห็นไหมเนี่ยเราจะมองเห็นชัดว่าในชั้นของการองค์คําสอนเบียดเสร็จครูบาอาจารย์ก็พยายามมากำหนดให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เบเร็จ แต่นี้ครูบาอาจารย์ท่านอาจจะเข้าใจใช่ไหมแต่บเราที่รับเข้ามาจะทำไงก็เรามีข้อมูลน้อยอ่ะแล้วก็เลยไปติดรูปแบบอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วพัฒนาออกจากรูปแบบไม่ได้จะทะําไงยอมสมรวยมันก็ออกไม่ได้อีกครูบาอาจารย์ล็อกรูปแบบไว้อย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บที่ส่วนจริตัวรูปแบบก็มาบีบทําให้เราเดินออกจากรูปแบบไม่ได้นั้นประเด็นตรงนี้ก็เลยบอกว่าทันั้นถ้าเดินเนี่ย เดินเนี่ยระลึกถึงคุณพระเจ้าได้ไม่ได้แล้วเป็นพุทธานุสติไหมเป็นแต่ความแข็งแรงทายาบทนั่งจะแข็งแรงกว่าทำไมแข็งแรงเพราะในขณะที่เราเดินเนี่ยเราก็ยังจะต้องรู้มันรู้สองส่วนรู้ส่วนหนึ่งก็คือต้องกําหนดว่าเราจะเดินไปอะไรอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดถึงพระเจ้านะลักษณะอย่างเงี้ยแต่บุคคลที่สามารถที่อยู่ณนะอาสนะเดียวแล้วระลึก ค่อนข้างที่จะแต่เดินแล้วระลึกได้ไม่ได้แล้วเกือกเก้อกูลไหมเกื้อกูลทำได้ไม่ผิดไม่ผิดเดินระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอาระลึกยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเออระลึกอย่างไรคือคือประเด็นเนี่ยเรามาจากความจาก่อนนะจำคุณของพระพุทธเจ้าได้การระลึกจริงตามมาทีหลัง ทีนี้ถ้าจำเขาจาคำสอนพระเจ้าไม่ได้สักนิดเลยในการระลึก ก, ก, ก็ก็เริ่มลำบากตรงนี้ก็ได้จาความจำเป็นเหตุใกล้ของสติเรียกพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณของพทธเจ้าฉะนั้นการระลึกถึงคุณของพทธเจ้าก็เลยเหมือนว่าบางคนดูพุทธรูปดูก็ประนมมือพระเจ้างามมากพระเจ้างามมาก แต่เขาเห็นอะไรเห็นพระบารมีที่บำเพ็ญมาจึงเห็นความงดงามของพระสรีลักขณ์แต่อันี้เป็นพุทธคุณนะแต่อูหงามมากเป็สุขโขทยัยแน่ๆรุ่นนี้แต่อันี้ไม่ใช่พุทธคุณหรือว่าอูทองนะเนี่ยในรุ่นเชียงแสนนะอะไรอางนี้ยุอันแต่อันี้ไม่ใช่พุทธคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้พุทธคุณจะเห็นความงดงามของพระจริยาคุณที่บำเพ็ญมาเห็นพระสตรีลักขณและเห็นพระพุทธคุณที่อยู่ใน ในในในในในในพระจริยาคุณในพุทธคุณในพระศ ร, ร, รีรกักคุณเห็นเห็นคุณของพระพทธเจา้าถ้าถามว่ากาแต่การที่จะเข้าใจในเรื่องของพระราพระพระรุทธคุณทั้งหลายคนเริ่มเข้าใจพระรัาชธนัยก็เริ่มจะเจริญพุทธคุณได้ถ้ายังเข้าใจพระรัาชธนัยไม่ได้นี่เจริญพุทธคุณไม่ได้เลยนะแล้วการเจริญพุทธคุณถ้าเจริญพุทธคุณไม่ได้ก็มาฐานอื่นไปรอดไหม ไม่หลอดพุทธคุณนี่เป็นหลักเลยนะอย่าลืมนะเป็นชาวพุทธแล้วเจริญพุทธคุณไม่ได้ไปเดินกรรมฐานอื่นเดินยังไงอ่อถ้าถามว่ากรรมฐานของใครของพทธเจ้าพระเจ้าสอนยังไงสอนยังไงพทธเจ้าสอนอยังไออ ง, ไ, ออง ไ, มไม่รู้แต่เชื่อไหมก็เป็นกรรมฐานพระเจ้าเชื่อเพราะพระบอกอาะพะบอก ถึงบอกว่าถ้าเห็นคุณของพระเจ้าก็เห็นโทษของสังสารวัตอันเดียวกันนะเพระพรธเจ้าสร้างบา ร, รมีมาย่างยาวไกลเราจึงเห็นความยาวไกลของสังสารวัตและเห็นคุณของพระเจ้ายิ่งตะหนักชัดไอ้ตรงนี้ก็ต้องพยายามถ้าถามอกว่ า, วายัางวันแรกที่บอกยมอมทารวยบอกว่าโอ้ฟังแล้วปวดหัวเหลือเกิน mm hmm. ใช่ไหมล่ะ ยอมอเสมอต้องเปิดใจอย่าไปต้านและอยากพยายามอยากเอาให้ได้เอาไว้ได้มันจะปวดหัวฟังเนี่ยเป็นบุญแล้วในขณะฟังแล้วพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้าเจ้าฟังไว้หือฟังแล้วจะได้เข้าใจแลวจะได้ปฏิบัติถูกเพราะทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเราเดินผิดจากพุทธโอวาทแล้ว คนที่รับผิดมันคือเราไม่ใช่ใครหรอกเต็มๆเลยนะแล้วเราจะไปต่อรองกัยบยมบาลไม่ได้ก็ชันพัฒน์ทำมาอย่างนี้มาทมําไมถ้ามาจับฉันมาเนี่ยไปต่อรองก็ได้ไหมเอาก็คุณทําผิดเนี่ยดังนั้นตรงนี้ยถ้าเราเดินให้ถูกคําสอนของพรธเจ้าเสียเนี่ยมันปลอดภัยงนั้นปลอดภัยจากอุปสรรคอันต ร, รายอือเรื นานการรเนื้ของพระสงฆ์ึใใ่งเป็นหนึ่งในสาคุเนี่ยเราจ ะ, จะเจริญในไหนเรงเราได้ถือพระนรินที่ท่านปฏิบัติดีหรือว่าไม่ถืออะไรคะอ๋อคือคือในเรื่องของภาษาญกคุณเนี่ยท่านมองถึงตัวปกสุ ป, ปฏิปันโนไม่ใช่ว่าตวสาวกภาษาคเราเห็นเราเห็นกระแสของความปฏิบัติดี ของพระสังพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติเป็นไปตามพุทธโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านได้แทงตลอดสัจจานั้นมากมายนะที่มากล่าวไว้ในเพียงเล็กน้อยเนี่เราเห็นอะไรเห็นตัวศีลเห็นตัวศรัทธาเห็นตัววิริยะเห็นตัวสติเห็นตัวสมาธิและปัญญาในพระสังในพระสงฆ์นั้นที่ท่านมุ่งมั่นในการที่จะบำเพ็ญบำเพ็ญศรัทธาให้ออกจากความไม่มีศรัทธาได้อย่างแท้จริง มันเป็นวิริยะออกจากโกสัชชาคือความเกียจค้านได้จริงบันเพ็นสติออกจากมุท ธ, ธสติคือการหลงลืมสติได้จริงบันเพ็นสมาธิออกจากความฟุ้งซ่านได้จริงบันเพ็นปัญญาสามารถตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทบาหานในกมลสันดานท่านเดินตามรอยบาทพระสัส ด, สดาเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าตัดราคาภูสาโมหะแล้วปรินิพานตามพระผู้มีพระเจ้าได้จริงแล้วเห็นคุณของท่านตรงนั้น นี้เราก็ต้องเข้าไปศึกษาทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเห็นคุณพอพิจารณางั้นเส็จเสร็จก็มาดูว่าศรัทธาในพระสงฆ์มีและศรัทธาในเรามีไหมมีถ้าไม่มีก็เพิ่มเนี่แล้ววิริยะในพระสงฆ์น่ะในในกระแสชีวิตของสองฆ์สาวกพระพุทเจ้าท่านมีแล้ววิญญาะในเราล่ะเราเริ่มปรารจากความเพียนหรื อ, อยังเริ่มออกจากความเกียดค้านได้หรื อ, อยัง และความเพียรของเราสร้างสรรค์ประคัประคองใจของเราให้เป็นไปกุศลและไม่ท้อถอยหรือยังเห็นตัวสติออกจากการหลง ล, ลืมสติได้หรือยังว่าตอนนี้เราเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็กำลังจะพัฒนาตนเองเป็นสังฆะเนี่ยเป็นหนึ่งในสารณะเนี่ยคือเนี่ยเราจะทำให้ถึงให้ได้เนี่ยและตอนนี้ได้ถึงไหนแล้วพัฒนาขึ้นมาทุกวันไหม แล้วพิจารณาถึงความฟุ้งซ่านในใจเราสงบลงได้เยอะหรื อ, อยังจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นไหมเพราะอริยสงฆ์ท่านสงบได้หมดแล้วแล้วปัญญายาณของเราท่านทั้งหลายกำจัดความเห็นผิดความรู้ผิดได้หมดหรื อ, อยังที่จะเดินตามรอยพระรอรหันต์ผู้บูชาคนของพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องพัฒนาตัวเราเองเป็นหนึ่งในสังฆาให้ได้ลักษณะนี้ก็จะเจริญสังฆคุณโดยการ เห็นอินทรีย์เห็นพละเห็นพุทชงเป็นต้นเห็นคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่ในกระแสชีวิตของท่านแล้วก็นำตัวคุณสมหล่านั้นมาเป็นแนวทางเดินตามท่านพัฒนาให้ได้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าระลึกถึงผระสงค์แล้วมีกำลังใจเห็นศรัทธาในตนยังน้อยนิดก็ไม่รีบเพิ่มพูศรัทธามากเห็นวิริยะมีกาลังน้อยนิดก็เพิ่มไม่มากไม่ปลอดภัยแน่ ถ้าอินทรีย์เราบกพร้องขนาดนี้ไม่พอดหตยนี่เร่งเลยกระตุ้นทุกระดับเลยเขาเรียกว่าระดมเลยระดมตามพระอะริยสงฆ์ น, นั่งเงชัดอะไรรูการราชการรับาราชกาเรานี่จับชุมลงศึินานสัจธรรมของการฟ้รดินโยนเลยเ้คะวันนี้ได้พาเพื่อนมามาวันนี้ห้าสิคนนบคเนเล้ค่ะที่มุณถามมันนีโยงก็ออขอความเมตตาจาอาจารย์เล้ค่ะการฝึกการ การที Shiva, ่ว่าที่ถึงข้อถึงใจสาธารณคมสังคมเราใช้การฝึดเป็นการที่ว่าเราสวนบนส์มนต์บแปลคำว่าชาหรือวันเย็นเนี่ยมันฝึกทุกวันททีี่่นอกจากนั้นแล้วก็ศึกษาศึกษาประวัติพระเจ้าเอ่อที่เกี่ยวกับพระอริยะต่างๆที่ที่ต้องมีการรู้ที่เอปฏิบัติเพื่อถึงให้เส้นในธรรเนี่ยจ้าค่ะแน่นอน คือคือตรงนี้การสวดมนต์แปลก็เป็นเรื่องที่ทำให้ใจแนบแน่นในสารณคมในพระรัตนตรัยได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องคือจริงๆในบทสวดมนต์เนี่ยในบทสวดมนต์เนี่ยจะต้องมีการอาธิบายทุกอัดและพยัญชะนะสวดแต่ละบทมันจะได้ลึกซึ้ง ถ้าเอาไปสวดเองเนี่ยบางทีไม่เข้าใจยกตัวยอย่างเช่นอ่ที่บอกว่าซึ่งเป็นตัวโลกุตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตลานั้นก็จะแปลว่าไงอันนี้แปลเป็นไทยแล้วนะเนี่ยซึ่งเป็นตัวโลกุตลาและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตละนั้น แ, แปลว่าแล้วไอตรงนี้ไง คำว่าที่ซึ่งเป็นตัวโลกุตระนั้นได้แก่ตัวมัดสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งได้แก่โสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกาธาคามีมัดสกาธาคามีผลอานาคาคามีมัดอานาคามีผลอรัตมัดอรัตผลมีแปดและพนนันิพานถามบอกว่าเออเราเชื่อมั่นในมัดไหมเชื่อมั่นในโซดาปฏิมัดไหมว่ามีอยู่จริงและสามารถเกิดได้จริงเมื่อปฏิบัติศิกขาสามเบร์บริบูน แ, แล้ว เชื่อมั่นในโสดาปิผลไหมสการทาขาวัมกักสกาทาอยู่เชื่อมั่นในพระนิพานไหมว่าเป็นสภาพที่ดับวัตถทุกได้จริงพอเชื่อมั่นเบ็ดเสร็จก็ต้องมาเชื่อมั่นและส่วนใดที่ชี้แนวส่วนไหนอ่ะพระไตรปิฎกส่วนคําสอนของพระพุทธเจ้าไงที่ชี้เป็นตัวแผนที่พอบอกเป็นตัวแผนที่ที่ไปชี้แนวตัวโลกุตระ ถ, ถามว่าแล้วเราเดินตามพุทธโอวาทไหม ถ้าเราเดินตามพุทธวัตรคาว่าเดินตามพุทธวัตรจิตใจของเราเข้าใจพุทธประสงค์เข้าใจพุทธพจน์แล้วกําลังวางใจของเรานั้นให้เดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาพเพื่อจะเข้าถึงโลภุตาลเห็นไหมทุกทุกอัฏทุ ก, ท ก, ทกยาญชนะต้องมาขยายมันจะได้ลึกซึ้งอันนั้นถูกต้องแล้วที่ว่าอือจะตั้งใจในการสวดมนต์เพื่อให้รู้ความหมายเพื่อให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ฟังว่ารมที่จะเป็นตัวสอดคล้องต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง การฟังธรรมะนี่นียอย่าสเป ส, สปะอันนี้อันตรายมากถ้าต้องการขัดเกลวนนะสําหรับผู้ที่ต้องการไปเรื่อยๆไม่ว่ากันแต่ถ้าหากต้องการที่จะขัดเกลว์จะเด้เงจริงนะฟังธรรมะที่เป็นไปในแนวคําสอนถูกต้องฟังแล้วกระตุ้นเตือนตัวเองได้จริงแล้วก็สามารถรู้อัตถาระเบญยก น, าานะได้ชัดแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้อง ต้องข จ, จัดความคุมเครือในใจออกอะไรที่มันเป็นฟ้าเป็นหมอกที่มันจะทําให้ความเข้าใจเราผิดจากพุทธประสงค์นั้นไม่เอาต้องกล้าปฏิเสธกล้าปฏิเสธกล้าปฏิเสธแล้วเอาที่ตรงตามคําสอนจริงๆเนี่ยเท่นี้ก็จะชัดเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ก็กนับวดีที่ว่าเออมีเอต้องการที่จะสวดมนต์แต่แล้วก็ศึกษาคําสอนต้องการที่จะรู้เรียนศึกษาแล้ฟังให้เข้าใจนีมีสําคัญมา พอดีพระอาจารย์พูดถึงว่าระลึกถึงสีได้ในแนวของพุทธคุณธรรมคุณ น, น, น, น, น, นิสสังคุณตัววรอธิบายนิดนึงนะคะว่าแล้วระลึกเป็นสีาลานุสติอย่างเราจะระลึกยังไงอ๋อถ้าเป็นตัวการระลึกถึงสีาลานุสติท่านระลึกถึงสภาพที่เรามดเว้นได้จริงเช่นระลึกถึงการที่เคยงดเว้นจากการฆ่าเอาสภาพจิตใจที่ระลึก งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้จริงเอามาระลึกแล้วเกิดความปลื้มปีติหรือระลึกสภาพที่หดออกจากอันรนั้นสภาพที่สามารถงดเว้นจากการรักเช่นเวลาคิดจะรักเขาแล้วก็ยังกายว่าจะเป็นต้นเหล่านั้นน่ะให้มีการงดเว้นได้จริงแล้วก็ระลึกถึงสภาพจิตที่งดเว้นจากการรักหรือ เมื่อไปยินดีในคู่ครองบุตรภรรยาของบุคคลอื่นแล้วก็มีสภาพจิตที่งดเว้นว่าไม่สมควรแก่เราเลยเอางี้นะว่าว่าเราเป็นผู้สมาทานตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นวาศกเป็นวาสกาของพระจิณณเจ้าการไปร่วงเราเมื่อสิกคาบบทแค่นี้ไม่ข้อนี้ไม่สมควรแก่เราแล้วก็มาละลึกเหมือนอะลายนะเหมือนนายเออเหมือนกับนะอุบาสกท่านหนึ่งสมาทานศีลจะาพระเถระ เมื่อสมาทานเบีดเสร็จแล้วก็ถือมีดแล้วก็เข้าปาใช้มีดเน็บไว้กับพกข้างหลังแล้วต่อมาก็งูใหญ่มาลัดท่านพอมาลัดเบีดเสร็จปุ๊บ ก, ก็จับสู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาก็ดึงมีดออกมาแล้วก็ทําท่าจะตัดศีรษะงูก็มันนึกก็วุ้วันนี้เราสมาทานศีลจตุะเถอละผู้ทรงศีลในสำนักที่ลหน้าเคารพบูชา การมาล่วงแล้วเมื่อสิขาบทนี้ไม่สมควรแก่เราอยากกันนั้นเลยเราจับเราจะเอาศีลไว้เราไม่เราไม่เอาชีวิตไว้เราไม่เอาอะไว้ไวะด้วยเราไม่ได้เอาทรัพย์เาอาญาติมีดไว้พอเลื่อลึกตั้งมั่นจนจิตเกิดปาโมดปีติไปเสริยก็ออย่างมีดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยงูเลยอันนี้เป็นสีร้านนิสติแล้วต่อมางูก็เลื้อยไปเนี่ย และสภาพที่งดเว้นจากข่าได้นั้นเอามาระลึกได้เอามาระลึกให้ต่อเนื่องระลึกให้ต่อเนื่องระลึกแล้วก็เกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดปัจสัิเกิดสุขโสมนัสสมาธิกระตั้งมันว่าเป็นบุญญาาภของเราแล้วเกินเราเอาตัวกุศลศีลไว้เราไม่ได้สึงแค่ชีวิตไม่เห็นแค่อวัยวะ ก็ระลึกกระใจก็จะเริ่มตั้งมั่นอันนี้ก็ศีลานุสตีนะแต่ระลึกถึงกุศลศีลก็คือระลึกถึงสภาพที่งดเว้นได้จริงนะแล้วต้องผ่านการเคยงดเว้นได้ด้วยผ่านการถึงแล้วก็ระลึกไปแล้วไปติดตรงที่เราเว้นไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องสซ้ำห่อก็ต้องเอาสภาพที่เคยงดเว้นถ้าหากไประลึกถึงสภาพที่ไม่เคยงดเว้นก็สมาทานว่าต่อไป ต่อไปเราจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทขอ้อนี้แม้เพรเหตุเห็นทรัพย์แม้เ่าเหตุแห็นอวัยวะแม้เพเหตุเห็นญาติแม้เพราเหตุแห่งชีวิตก็สมาทานใหมั่นคงสำทับลงไปว่าเราจะเอากุศลศีลเพราะกุศลศีลสาคัญกว่าทรัพย์สําคัญกว่าอวัยวะสําคัญกว่าญาติและก็สําสคัญกว่าชีวิตทรัพย์ไม่สามารถจะดูแลกระแสชีวิตของเราในหลังในพบหลังตายได้นะเดื่องในปัจจุบันนี้่ รับจะหมดเมื่อไหรก็ได้ใช่ไหมซับจะหมดเมื่อไหรก็ได้เพราะไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงทรับเนี่ยไม่ใช่สารณะที่แท้จริงนะรับไม่ใช่เอาไว้วะก็ไม่ใช่สารณะไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงชีวิตญาติมิตรก็ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สารณะที่แท้จริงแต่กุศลศีลเนี่ยเป็นสารณะที่แท้จริงจะสามารถช่วยกําจัดพยัน์อันตรายพ้นจากอุปสรรคอันตรายต่างๆได้จริงอันนี้ก็ตั้งมั่นในตัวกุศลศีลนั่น นี่เข้าใจอย่างอยอมยอมชัดเจนไหมว่าศีลสําคัญกว่าทรัพย์ศีลเป็นหนึ่งในสารนาไหมแล้วแต่ปลาลบศีลคิดถึงไข่เนียศีลเป็นหนึ่งในสารณะนั้นทรัพย์ใช่สารนาไหมใช่ที่พึ่งไหมอาแล้วกเเ็เราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีอาหารเราทัพย์ไปซื้ออาหารได้ไหม ถ้าเรามีศีลเอาศีลไปเสื้ออาหารได้ไหมเอาทำไมศีลเป็นที่พึ่งได้ยังไงถามว่าทรัพย์เป็นผลของศีลเข้าใจไหมรัพย์ที่มีทรัพย์ได้เพราะเป็นผลของศีลที่มีอวัยวะสมบูรณ์ได้เป็นผลของศีลที่มีชีวิตที่ที่ไม่เดือดร้อนทั้งหลายได้เป็นผลของศีลฉะนั้นผลกระเคต่อะไรสําคัญกว่า ตัวเหตุคือศีลจึงสําคัญกว่าทรัพย์จึงสําคัญกว่าอวัยวะจึงสําคัญกว่าชีวิตถ้าไม่มีศีลไม่สามารถนําศีลให้สู่กระแสชีวิตได้เนี่ยต่อไปทรัพย์ก็หมดอวัยวะก็หมดชีวิตก็วิบัติก็จะเดือดร้อนฉะ น, าานออั้นที่ว่าสมาทานทื่ว่าตัวศีลจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐศีลเป็นรัตะน์นะสมคนรเกยวเวลาแล้ว